เจ็ดสาธรณวาระวาระว่าด้วยสมถะทั่วไป 297- สถามสมถะเท่าไรทั่วไปแก่วิวาธาที่ก่อนสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่วิวาธาที่ก่อนสมถะเท่าไรทั่วไปแก่อนุวาธาที่ก่อนสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่อนุวาธาที่ก่อน สมถะเท่าไรทั่วไปแก่อาปัตตาทิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่อาปัตตาทิกรสมถะเท่าไรทั่วไปแก่กิจจาทิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแกกิจจาทิกรตอบสมถะสองอย่างคือหนึ่งสัมมุขาวิไนสองเยปุยสิกาทั่วไปแก่วิวาทาทิกรสมถะห้าอย่างคือ 1>, 1. สติวินัยสองอมูลหวินัย 3. ปติญญาตะเการนะ 4. ตัดสปาปิยาสิกา 5. ตินวัารกะไม่ทั่วไปแก่วิวาธาธิก่อนตอบสมถะสี่อย่างคือ 1. สั ม, มุขาวินัย 2. สติวินัย 3. อมูลหวินัย 4. ตัดสปาปิยาสิกา ทั่วไปแก่อนุวาธาธิกรสมถะสามอย่างคือ 1. เยพุยสิกา 2. ปฏิญญาตการณะ 3. ตินวัถารกะไม่ทั่วไปแก่อนุวาธาธิกรสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. ตินวัถารกะทั่วไปแก่อปัตตาธิกร สมถะสี่อย่างคือ 1. เยปุยสิกา 2. สติวินัยสอมุรหาวินัยสตัดสปาปิยสิกาไม่ทั่วไปแก่อาปัตตาทิกรสมถะหนึ่งอย่างคือสัมุขาวินัยทั่วไปแก่กิจจาทิกรสมถะหกอย่างคือ 1. เยปุยสิกา 2. สติวินัย 3. อมูระหาวินัย 4. ปติญญาตการณะ 5. ตะสปาปิยสิกา 6. ตินวัฏฐากะไม่ทั่วไปแก่กิจจาที่ก่อนสาธารณะวาระที่ 7. จบ